จะช่วยคนอื่นต้องช่วยตัวเองด้วยอ่ะเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างนะสายโพธิสัตว์สายอะไรมหายานอะไรพวกนี้โอ้โหจะรอช่วยคนทั้งโลกอะไรนะให้ดีหมดทั้งโลกก่อนถ้าดีหมดแล้วถึงจะถึงจะไงถึงจะไม่เกิดมาอีกแล้วถึงจะเลิกแต่ความจริงโอ้โหเป็นไปไม่ได้ ผู้เจ้าเกิดมากี่พระองค์แล้วยังทำไม่ได้เลยใช <c oughs> ่หรือเปล่าเพราะนั้นบางทีมันมันเกินไปมันมันมันอะไรอะ่ะอยากอะ่ะจริงๆมันเป็นกิเลสส่วนหนึ่งนะแม้ว่าปรารถนาดีก็ตามเพราะศาสนาพุทธเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านต้องมีทั้งสองส่วนแล้วประโยชน์ตนต้องเหนือกว่าด้วยวพนพ่อท่านเนี่ยก็มกกักจะแนะพวกเราว่ายังไงต้องได้อหรหันก่อนนะ แล้วคุณค่อยเป็นแบบโพธิสัตว์นะยกตัวอย่างไม่ต้องไปยกไกลเดี๋ยวคุณคิดไปไกลมันมันนึกไม่ออกยกง่ายๆสมมติเรื่องกินมังสวิรัตคุณกินได้แล้วยังสมมุติคุณทํำ阿拉หันในมังสวิรัตเนี่ยคุณทําได้อยังคุณกินได้ดีอยังคุณมีความรู้คุณ ม, คมีความเข้าใจดีแล้วอยังเรื่องของมังสวิรัตไม่ใช่ตัวเองเน่ยกินมัง่งไปกินมัง่ง กินได้มั่งไม่ได้มั่งเสร็จแล้วก็แหมมังสิราชดีอย่างนั้นนะดีอย่างนี้นะโอ้ไปแนะนําวให้เขากินอย่างเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเขาถามกับคุณกินหรือเปล่ า, า อ, อ๋อผมก็กินบั่งไม่กินบั่งครับ <c oughs> โอ้ทันทีเลยอย่างเงี้ยยุยเลยอะเขาไม่ศรัทธาหรอกเขาไม่ศรัทธาหรอกยิ่งเผลอเผอยังทําไม่ค่อยได้เลยอะเขาไม่ศรัทธานะถ้าอย่างเนี้ย แล้วเพอๆ เ, เขาดูหมิ่นด้วยโอ้โหมาพูดสติดีก็ถ้ามันดีจริงทําไมคุณไม่ได้ไปแล้วล่ะทําไมคุณไม่กินได้อ่ะเขาแค่ย้อนกลับเท่านั้นเองแม้คุยยี่บางคนคุยเก่งมากเลยโอ้โหสอนเขาอย่างนั้นสอนเขาอย่างนี้มังสวิรัตมีประโยชน์อย่างนี้อย่างงี้คนเราเนี่ยกินพืชผักนะไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะมาบอกเขาใหญ่เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวมื้อกลางวันเรากินขาไก่ <laughs> พระทร้เขาเห็นแค่เนี่ยจบเลยคุณเขา โอ้ยไม่เอาด้วยอเขาจะหาว่าโกหกเดิมซ้ำไปเขาหาว่ามาหลอกลวงเดิมซ้ําไปเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าท่านะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยถึงจะเห็นเลยเนี่ยว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเที่ยวไปขัดเกลาคนอื่นนะเที่ยวไปเห็นกิเลสคนอื่นเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติสักเท่าไหร่นะอย่างนี้เป็นการฆ่าตัวตาย เนี่ยเป็นผู้ฆ่าตนเองเนี่ยหมายถึงเป็นการฆ่าตัวตายแต่คำว่าฆ่าตัวตายในที่นี้หมายถึงฆ่าอะไรฆ่าอะไรคำว่าฆ่าตัวตายในที่นี้เอะฆ่ากุศลจิตนะฆ่าบุญบรารมีฆ่าคุณความดีที่เราควรจะสั่งสมควรจะประพฤติให้เพิ่มให้ได้เนี่ยเรากับไม่ได้ทำ เมื่อคนเราเนี่ยไม่ทำกุศลมันมีอยู่สองอย่างเมื่อคุณไม่ทำกุศลคุณก็จะไปทำอกุศลโดยไม่รู้ตัวแต่หลงไงหลงว่าโอ้เราช่วยคนอื่นนี่เป็นกุศลเป็นกุศลใช่มันเป็นกุศลสำหรับคนอื่นแต่มันเป็นอกุศลสำหรับเราฟังดูดีๆนะเอเป็นกุศลสำหรับคนอื่นเขาอะบางทีเนี่ยคุณไปแนะนำคุณไปบอกอะไรคุณบอกสิ่งที่ดีให้เขาด้วย แต่มันเป็นอกุศลสาหรับเราคําว่าอากุศลในที่ดีหมายถึงว่าเผลอๆคนนั้นก็ยิ่งหลงยิ่งติดนะยิ่งอยากจะไปขัดเการคนอื่นก็นะแต่ตัวเองยังทําไม่ได้อย่างเงี้ยหรือได้น้อยมากเพราะมันเป็นอกุศลสาหรับคนนี้คนนี้ยิ่งหลงยิ่งเพลิดบางทีหลงในโล ก, กธรรมหลงในอะไรต่างๆด้วยซ้ำไปก็ไปติดโล ก, กธรรมนุษยส่วนการลดละ ก, กิเลสตัวเอง วันและคืนล่วงไปล่วงไปไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองไปทำให้คนอื่นหมดพระพุทธเจ้าท่านกระเปียบเหมือนกับอะไรไปทำนาให้ให้คนอื่นเขานาตัวเองโหรกลุงลังสะกะปรกเลอะเทอะหรือว่านูมากินข้าวในนาตัวเองเรียบตัวเองไม่มีข้าวให้กินอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นอย่างนี้นะใช้ไม่ไดนะ้นั่นคือประเภทที่สองส่วนประเภทที่สาม นี่ประเภทที่สามนี่ถึงจะถือว่าถูกต้องที่สุดนะครบถ้วนที่สุดก็คือคนผู้ทำอะไรแม้จะขัดใจผู้อื่นก็ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความปรารถนาดีเพราะได้ขัดใจตนเองมาแล้วนี่ประเด็นตรงนี้สำคัญนะนั้นคือผู้ช่วยขัดเกลาคนอื่นคือคนที่ขัดเกลาตัวเองมาแล้วเนี่ย นะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องบังสวิลัตโอ้เรากินก็ได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ไม่ใช่รู้แค่ภาษาไม่ใช่รู้แค่ตำราเรารู้โดยจิตโดยใจของเราจริงๆเสร็จเราแนะนําคนอื่นเขาเราบอกคนอื่นเขาแม้คุณจะพูดไม่เก่งก็ตามแต่คุณพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็เลิกมาเลิกเนื้อสัตว์มายากนะโอ้ฝึกอย่างนั้นฝึกอย่างนี้มาโอโ้ทุกวันนี้กินได้สบายละ คุณไปบอกใครคุณไปเล่าให้ใครฟัง้วนะคนอื่นเขาฟังเขาก็โอ้โหยอมรับได้เพราะคนนี้ปฏิบัติมาได้แล้วผ่านมาได้แล้วแล้วก็เพราะคนนี้ปฏิบัติมาได้แล้วเนี่ยคนนี้ไม่ได้เสียเวลาในชีวิตของตัวเองเสร็จแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองทำได้นี่มาแนะนามาบอกคนอื่นคราวนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นแบบโพธิสัต โพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่ทำมาได้แล้วแล้วก็ยังเอาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยรู้เข้าใจด้วยญาณด้วยปัญญาที่ตัวเองทำมาได้แล้วเอามาแนะนำบอกสอนคนอื่นด้วยนะนี่นี่คือโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนคนที่บางทีทำได้แต่ไม่เก่งจะแนะจะสอนจะบอกอะไรใครก็ไม่เก่งที่คนมาถามนะ เป็นไงกินมังกร์ดีไหมดียังไงบ้างอะไรไม่ค่อยรู้อธิบายยังไงไม่รู้ก็รู้แต่ว่าก็ดีอ่ะกินแล้วสบายดีเนี่ยเนี่ยดูสิหน้าเป็นไงนออยิ้มยามแจ่มใสผ่องใสมีความสุขดีอะไรนะกพูดอะไรไม่ค่อยเก่ง ก, ก็ก็ให้ดูเนี่ยให้ดูของจริงไปเท่านั้นเอง อ, อาจจะสอนอะไรใครไม่เก่งนะแต่สบายแล้วนี่ไอคนนั้นมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อ มันจะกินตามไหมไม่กินตามเรื่องของแกเออฉันสบายของฉันแล้วอ่ะฉันไม่เดือดร้อนด้วยแล้วฉันกินมังสวิราชของฉันได้ฉันสบายใจละเนี่ยคนที่ขัดเกลาตัวเองได้แล้วแล้วค่อยมาขัดเกลารคนอื่นแล้วเวลาขัดเกลารคนอื่นเนี่ยคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยใช่ไหมมันรู้อารมณ์มันรู้ความรู้สึกโอ้สู้แล้วมันหนักยังไงบางทีมันยากยังไงมันลําบากยังไงโอ้โหบางที มันดิ้นทุรนทุรายยังไงบ้างกว่าเราจะเอาชนะมาได้พอเวลาไปแนะไปบอกคนอื่นเข้าบางทีอ่ามันก็มีวิธีการมีอะไรต่ออะไรที่จะแนะได้ดีกว่าส่วนไอ้คนที่รู้มาจากตำรามันแนะไปตามไอที่ฟังๆมาเท่านั้นแหละมันไม่ได้แนะจากสัจจะไม่ได้แนะจากความเป็นจริงที่ตัวเองปฏิบัติมาได้เพราะฉะสอนคนอื่นก็สอนได้ดีกว่าแล้วส่วนใหญ่จะทําให้คนอื่นเนี่ยขัดเกลาคนอื่น ก็ขัดเกลาได้ดีกว่าด้วยไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีประสบการณ์จริงมาคนไม่มีประสบการณ์จริงแต่มีความรู้บางทีไปสอนเขาโอ้โหเทียงเขาเข้าหน้าดำหน้าแดงหรือบางทีเนี่ยเขาก็ยันตูมกลับมาเหมือนอย่างบางทีเนี่ยสมะเนี่ยเจอคานี้บ่อยไปพูดเรื่องอย่าแต่งงานเลยนะมีลูกก็ทุกอะไรต่ออะไรพอพูดไปเสร็จโยงเขาท่านเคยมีลูกเห เอบางทีอาตมาก็อจริงอาตมาไม่เคยมีไม่เคยแต่งงานเนอะไม่เคยมีลูกมาก่อนก็จริงนะแต่เข้าใจนะโยมแต้องหาทางก่อนที่ต้องหาทางอุปมาต้องหาทางเปรียบเทียบโอ้โหคือจริงนะบางอย่างไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงอ่ะแต่มันเข้าใจทุกนะจริงแม้จะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกเต่ามาแต่มันเข้าใจทุกอ่ะ บางทีก็ต้องหาทางอธิบายหรือว่าอะไรแต่ถึงเราจะพูดอธิบายยังไงคราวนี้ต่างกันนะสุวัสิสมณะที่ท่านมีครอบครัวมาก่อนแล้วใช่ไหมโอโ้ท่านมีลูกหลานมีอะไรแล้วกว่าท่านจะมาบวชมาอะไรเงี้ยพอเวลาท่านไปพูดสอนเรื่องนี้นะพอโยอมเขพูดอย่างนี่มาใช่ไหมท่านมีครอบครัวอย่างอ่าบอกเคยมีมาแล้วอลูกเต้าก็มีเนี่ยอาจะมาทิ้งมาหมดแล้วอ่าเถียงยากนะคราวนี้เถียงยากเลยทันทีเลย ว่าอันอันนี้คือข้อแตกต่างที่จะมาพยายามพูดเพราะฉะนั้นมันจะมีฤทธิ์มากนะคนที่ทำตัวเองได้ก่อนแล้วสอนผู้อื่นภายหลังจะไม่มัวหมองนะอันนี้จาไว้เลยส่วนสุดท้ายนะคนผู้ไม่ขัดใจใครเลยและไม่ยอมขัดใจตนเองด้วยนั้นคือผู้ฆ่าทั้งผู้อื่นและฆ่าตนเองให้ชิบหายทั้งคู่ คนประเภทนี้นี่แหละเต็มโลกโลกเนี้ยส่วนใหญ่คือคนประเภทนี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นนะใครจะเลวใครจะชั่วร้ายยังไงแล้วแต่ที่ไม่ต้องไปขัดใจอะไรเขาหรอกแล้วเผลอๆก็กลัวด้วยเดี๋ยวไปขัดใจเขาเดี๋ยวเขามาฆ่าเอาเดี๋ยวเขามาทำร้ายเอาเพราะนั้นอย่าไปขัดใจใครเลยจิ่าเอาตัวเรารอดพอแล้ว เราอยู่สบายของเราพอแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ไม่ขัดคนอื่นเขาแล้วนะใครมาทําเรื่องเลวๆแล้วไล่กเห็นแม่สังคมทุกวันเนี้ยบางทีอุบัติเหตุรถชนกันตูมคนบาดเจ็บรองอดโอยอยู่ข้างถนนไม่สนใจเลยอะเดินผ่านไปผ่านมาหาน้อยคนแล้วใช่ไหมที่จะมีคนใจดีที่จะสนใจมีมนุษยธรรมที่จะเข้าไปช่วยน้อยเดี๋ยวนี้ เพราะอะไระเพราะอะไรเพราะกลัวไอ้ที่ไม่กล้าขัดใจใครเนี่ยเพราะกลัวนะเพราะทุกบันเนี่ยที่บางทีเนี่ยอุบัติเหตุเสร็จเขาเขาไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะเขากลัวเลยกลัวเดี๋ยวซวยเลยตํารวจบกหาว่าเป็นคนทําร้ายเขาหรือว่าขับรถไปชนเข้าหรืออะไรใช่ไหมเพราะตัวอย่างมันมีมาด้วยอะ่ะคนก็เลยยิ่งกลัวเพราะกลัวก็เลยไม่เอาดีกว่า ความกลัวเนี่ยทำให้ไม่ขัดใจใครสมัยก่อนนี้อาตมามีตัวนี้มากเลยนะอยากให้ทุกทุกคนรักเรามีความรู้สึกอย่างนั้นทำไมอยากให้ทุกทุกคนรักเราเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวสิอยากให้ทุกคนรักเราเนี่ยเพราะอะไรฮะถูกแล้ว่ะก็เพราะรักตัวเองนั่นแหละแต่หวังผลอะไร หวังผลอะไรคนนั้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราหวังผลอะไรเขาก็จะมาทำดีกับเรามีอะไรก็เอามาให้เรากินเ อ, อ่อหรืออะไรเขาก็มาช่วยเราเพราะฉะนั้นบางทีบางคนทําผิดหรือหรือทอะไรไม่ดีเราไม่กล้าติเราไม่กล้าว่าเขาเพราะเรากลัวเดี๋ยวเขาไม่รักเรากลัววันจริงๆนะแต่ก่อนนี้อาตมาไม่ค่อยกล้าติใครหรอก น, นี่แหละมาอยู่อโศกอย่แหละถึงได้ตีคนเก่งขึ้นนะถึงได้ว่าคนเก่งขึ้นแม้แต่ปกติเนี่ยให้อะตามาเทศแล้วว่าไอนอนว่านีน่ไม่ทำะนะบอกตรงๆเลยว่าไม่ทำเพราะมีความรู้สึกว่าเรื่องอะไระจะไปทำให้คนไม่ชอบใจเราทำให้ลงทให้คนโกรธเกลียดเราไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สัจธรรมแล้วเรากล้าเสียสละเลยทำให้เราเนี่ยบางที เออพูดไปแล้วมันอาจจะขัดใจเขาบ้างอะไรเขาบ้างเนี่ยเราก็กล้าพูดขึ้นมาบ้างนะแม้จะขัดใจบางคนแม้เขาโกรธเราเขาไม่ชอบใจเราเออก็ตามใจเขาเราก็พยายามอย่างดีที่สุดละนะแม้จะเกลียดเราก็ตามแต่เราคิดว่าเนี่ยบางทีเพื่อมูกลุมนะหรือว่าเพื่อสัจธรรมที่เราก็ต้องทอําอ่ะก็ต้องพูดไปแม้ว่าเขาจะโกรธเราบ้างก็ตามเนี่ยถึงจะมีความกล้าอย่างนี้ขึ้นมานะ โอ้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรมาไ ม, ไม่ไม่ทำหรอกไม่อยากหาเรื่องเจ็บตัวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ขัดใจใครเลยแล้วก็เนี่ยแย่ยิ่งกว่านั้นใช่ไหมอยากให้ใครๆมารักไม่ขัดใจใครแล้วก็ไม่ขัดใจตัวเองด้วยเพราะดูข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนี้ไม่ขัดใจใครเลยเห็นไหมแต่เขาขัดเกาตัวเองขัดใจตัวเอง มันอันนี้ไปรอดนะอันนี้ถือว่าดียังถือว่าดาีแต่คนที่ไม่ขัดใจคนอื่นด้วยที่แย่ที่สุดนี่คือไม่ขัดใจตัวเราเองด้วยหมดเลย น, นี่จบตรงนี้สำคัญที่สุดนะการไม่ขัดใจตัวเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดอันเนี้ยใครจะไปรอดไม่รอดนะใครจะต้องไปเป็นกบเป็นเขียดไปหมุนวนอยู่ในวัาตาสงสารอีกไหมอยู่ที่ตรงนี้ ว่าคุณขัดใจตัวเองไหมเพราะอย่างเพราะอย่างน้อยเนี่ยสมมุตินะคุณปฏิบัติธรรมนะคุณบรรลุธรรมแต่คุณไม่ได้ช่วยใครเลยนะในโลกเนี้สมมุติไม่ได้ไปเกื้อกูลอะไรใครเลยแต่ถ้าคุณลดกิเลสคุณได้แล้วคุณหมดกิเลสคุณได้ในเรื่องนั้นน่ะคุณก็พ้นทุกทันทีเลยหรือพอเป็นพระอรหันต์ปั๊บนะคุณตายทันทีเลยนะเรียกว่าโอ้โหพยายามสู้กับกิเลสเราจนลมหายใจเฮือกสุดท้าย พอให้ใจเลือกเครือกสุดท้ายปับ๊บเป็นพระอาหารหันเลยนะแล้วคุณก็ตายเลยเขาเรียกว่าพระอาหารหันแบบอะไรพระอรหันแบบอะไรเคยจะยินไหมเดี๋ยวนี้พ่อท่านไม่ได้พูดนานแล้ะอันนี้พระอาหารหันมีหลายประเภทถ้ามามจําไม่ผิดเนี่ยพระอาหารหันแบบส่งสีๆนะเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกพระอาหารหันแบบนี้เรียกว่าเป็นปุ๊บตายปั๊บเลย <laughs> เป็นปุ๊บตายปั๊บเลย สติว่ายังไม่มีโอกาสจะไปช่วยอะไรใครเลยแต่คุณพ้นทุกข์คุณไม่ต้องมาเวียนวนไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาอะไรกับทุกข์นั้นอีกเลยเห็นไห้ยังคุ้มเห็นไหมแต่ตรงข้ามประเภทสองอะที่แบบว่าโอ้โหขาดเกาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นพรอะอรหันต์ะสมุตินะช่วยเหลือคนอื่นเป็นพระอรหันต์เลยแต่ตัวเองยังเป็นปู่จุชนหรือเป็นกัลยาณชนอยู่ โอโหคนนี้ไม่รู้จะเกิดอีกกี่ร้อยกี่พันชาติกว่าจะพ้นทุกได้แต่คนอื่นก็พ้นทุกหมดแล้วนะเขาเป็นพระอาหารไปหมดไม่คุ้มเลยต้องเวียนวนอยู่กับทุกอีกนะประเภทที่สามถึงบอกว่าดีที่สุดเวันเนี้ยสรุปนะประเภทสุดท้ายนี้นะคือประเภทที่แย่ที่สุดโดยเฉพาะที่จะมาย้ําก็คือคนที่ไม่ขัดใจตัวเองเพราะว่าบุคคลประเภทนี้นะเป็นประเภทที่ มีอยู่ในสังคมเพราะนั้นคนขัดใจยากคุณสังเกตมามคนทุกวันนี้บางทีอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงเพราะเขาต้องการแต่สิ่งที่สมใจตัวเองความต้องการสมใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือการไม่ขัดใจตัวเองเพราะคนที่โกรธง่ายคนที่หงุดหงิดง่ายนะีๆยกตัวอย่างหรือคนที่ ลักหลงอะไรง่ายๆเนี่ยคือคนที่ไม่ขัดใจตัวเองโดยเฉพาะเอายกตัวอย่างที่ง่ายๆคนที่ขี้โกรธง่ายหรือหงุดหิตง่ายเนี่ยมันมาจากสภาพอะไรถ้าคุณจะไม่โกรธคุณจะไม่หงุดหงิดเพราะคุณได้อะไรคุณได้สมใจใช่ไ่าคุณจำประเด็นนี้ไปก่อนเสร็จแล้วที่คุณโกรธคุณไม่พอใจ คุณหงุดหงิดลำคาญเพราะอะไรเพราะไม่สมใจเพราะนั้นคุณดูประเด็นตรงนี้เพราะประเด็นมันมาจากการไม่สมใจที่ทําให้คนนั้นหงุดหงิดไม่ชอบใจเพราะนั้นคนนี้เนี่ยคุณดูนะก็ในเมื่อเนี่ยไม่ฝึกขัดใจตัวเองอะ่ะไม่ฝึกเจอในสิ่งที่ไม่สมใจแล้วก็หัดวางใจหรือว่าหัดทําใจใช่ไหมเพราะนั้นคนนีน้ก็เลยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน อยากได้แต่สิ่งสมใจเวลาไปกินก็อยากได้กินอะไรที่เราชอบชอบได้กินอะไรที่ตามใจเราคุณไปซื้อของคุณก็อยากได้ของที่ถูกใจคุณสมใจคุณสมใจกิเลสเราอ ะ, อะคุณใส่เสื้อผ้าคุณก็อยากได้ไอ้ที่มันสมใจเราถูกใจเราหรืออะไรกัะเนี่ยคุณมานั่งตรงไหนก็ตามคุณก็อยากได้ที่ที่มันสุขใจสมใจเรา เพราะคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยคือคนที่แสวงหาแต่สิ่งสมใจในชีวิตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือคนแสวงหาทุกแต่ไม่รู้ตัวเพราะบอกแล้วคนที่ยิ่งอะไร อ, อะไรก็ต้องสมใจอะไรก็ต้องสมใจเพราะคนนี้เนี่ยในชีวิตคนนั้นอยากจะได้แต่สิ่งที่สมใจเท่านั้นเมื่อคนที่เป็นอย่างนี้พอเวลาเจอสิ่งที่ไม่สมใจก็หงุดห ง, งิดง่ายสิก็โกรธง่ายอสิ ก็มโหง่ายอะสิก็ถูกต้องแล้วเพราะคุณทําตัวคุณอย่างนั้นนี่แต่คราวนี้ตรงกันข้ามแล้วคนนั้นรู้ตัวแล้วพยายามฝึกบางทีกินก็เออกินของไม่อร่อยบ้างก็ได้แต่มันก็มีประโยชน์มีคุณค่าใช่ไหมนั่งอ่ะหรือว่านอนตรงนี้เออมันก็ไม่ถึงกับเย็นสบายนักหรอกอาจจะร้อนหน่อยหน่อยแต่ก็เออเอาทำจิตทําใจเราแล้วก็หัดวางใจแล้วก็หัดนอนไปเพราะฉะนั้นคนนี้เริ่มอนะ่ะ เริ่มขัดใจตัวเองเริ่มที่ไม่ต้องสมใจก็ได้เนี่เห็นไหมเขาเริ่มลดความสมใจของตัวเองลงมาใครไปทําได้อย่างเงี้ยคนนั้นจะอารมณ์เย็นขึ้นเรื่อยเย็นขึ้นเรื่อยเย็นขึ้นเรื่อยเพราะคนที่อารมณ์เย็นเนี่ยคือคนที่ไม่สมใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรเนี่ยย้อนย้อนอ่าคนอารมณ์เย็นเขาก็เป็นอย่างนั้นแหะใช่ไหมเขาก็เอออย่างเี้ก็ได้ไม่เป็นไร แต่อคนอารมณ์ร้อนนี่บอกไม่ได้ที่ต้องอย่างนี้ ถ, งงนถ้าอย่างง้นมีเรื่องถ้าอย่างนั้นมีปัญหาก็เนี่ยคือประเด็นสำคัญถ้าใครนะศึกษาเรียนรู้เข้าใจประเด็นตรงนี้ได้จะเลิกปล่อยตามใจตัวเองจะหันมาตรวจดูว่าอะไรที่เอาตามใจตัวเองนะแล้วก็อย่างงี้ ชอบอย่างนี้อยากอย่างงี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอ่ะคุณจะลดความรู้สึกพวกนี้ลงเลยเถ้าคุณรู้ตัวนะเออบางทีไอเริ่มใหม่ใหมเนี่ยจะเออได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรอ่ะคุณจะเริ่มอย่างนี้ก่อนคุณจะเริ่มนะบางทีบางคนเนี่ยสมมุติว่าเดินมาที่ตักอาหารกินอาหารบางคนเนี่ยมาแล้วนะตั้งแต่ระหว่างทางเนี่ยเดินมาอ่าบางทีแล้วขึ้นแล้วนะ อะไรนะก๋วยเตี๋ยว อ, อ, อะไรอีกอะมะละกกส้มตำอะไระคิดแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะได้กินอะไรบ้างอ่าคือต้องการสมใจอะ่ะมันมันมันคิดก่อนแล้วนะมันมันไปก่อนแล้วล่วงหน้าเร็วมากเลยโดยไม่รู้ตัวจะมาบอกแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้พอเดินมาถึงพอมาถึงที่ที่จะให้ตักเป็นไงละ่ะตานนี้เกิดไม่ค่อยมีไอ้สิ่งที่เราวาดหวังเอาไว้ พอไม่ค่อยมีครับคราวนี้มันก็เริ่มผิดหวังสิใช่ไหมเริ่มไม่สมดังใจอ่ะอ่ามันชักรู้สึกไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบแล้วนะชักบ่นยีบบ่นยีบแล้วนะเสร็จก็เจอแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ได้คิดหวังเลยนะเพอเพ อ, พอไม่ค่อยชอบซะอีกต่างหากโอ้โหคราวนี้คุณบางทีรู้สึกเดี๋ยไปเอาชมมารอดีกว่าน่ะมันยังค้างอยู่เลยนะเนี่ยนี่ในหัวยังค้างอยู่เลยนะเพราะตรงนี้ไม่สมใจใช่ไหมมันก็ยังพยายามจะดิ้น น, นี่เรียกว่าจับอารมณ์ไม่ทันนะมันยังพยายามจะดิ้นตามที่ต้องการสมใจอยู่ดิ้นไปหาแหล่งไหนอ่ะที่ไหนมีก็พยายามไปเอาที่นั่นเพื่อที่ให้สมใจเพราะใครไม่รู้ตัวเนี่ยเสร็จอีกแล้วเสร็ จ, รจกิเลสเสร็จโกนี่ไปอีกแล้วไม่รู้ตัวว่านี่เพิ่มกิเลสให้หนาขึ้นอีกแล้วเพิ่มกิเลสให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายขึ้นอีกแล้วนะแต่รู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้น แล้วก็สิ่งนี้เป็นทุกข์ด้วยอาตมาถึงบอกเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราฟังไปแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยสี่หัวข้อเนี่ยที่พ่อพ่อท่านพูดเอาไว้แล้วเราพยายามน่ะไปฝึกจับอารมณ์จิตเราอะไรที่รู้ว่าชอบหัดอันนี้อาตมาพูดแบบตรงๆอะไรที่ชอบเนี่ยก็หัดนะงดบ้างเว้นบ้างอันนี้เป็นการขัดใจในสิ่งในในในสิ่งที่ ถูกใจแต่จริงๆเนี่ยในความไม่ถูกใจมันมีสมใจอีกนะแต่ไม่มีเวลาพูดละนะพูดแค่ข้าวๆเพราะในสิ่งที่ไม่ถูกใจคุณเนี่ยมันยังมีความสมใจสมใจว่ายังไง ถ, ถ้าจะสมใจเนี่ยถ้าสิ่งไหนเราไม่ชอบเนี่ยสมใจเราคือยังไงสมมติว่าอาหารนี้เราไม่ชอบเลยถ้าไม่ได้สิ่งนั้น ชอบใจถูกใจเพราะไอ้อย่างนี่เราเกลียดนี่ก็คือความสมใจคุณนะถ้าคุณจับอารมณ์ไม่ทันนี่คุณไม่รู้ตัวอีกแล้ววันนี่คุณกาลังไปฝึกเอาตามใจตัวเอง แ, แต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเนะ่ยวันพูดแต่มุมมุมดูดไม่ได้พูดมุมผักแต่ในมุมผักเนี่ยมันมีสมใจกับไม่สมใจอีกรา ะ, ะถ้าคุณจะฝึกขัดเกลารตัวเอง ถ้ามุมโดดคุณรู้ละเหล็กี้พูดละเพราะถ้ามุมผลักเนี่ยคุณไปเจอคนที่เราเกลียดอาหารนี้เราไม่ชอบเพราะเราจะฝึกขัดเกลวใจตัวเองก็คือทําไงก็หัดค่อยๆกินหัดค่อยๆดมอ่ะหัดค่อยๆเข้าไปหาก้อนนั้นหัดค่อยๆยิ้มให้หัดค่อยๆทําดีกับเขาหัดค่อยๆพูดกับเขานี่แหละนี่เป็นการขัดเกลวตนเองเพราะใครที่เราเนี่ยไม่ชอบใจแล้วเราก็ เห็นทีไรก็สะบัดหน้าหนีเห็นทีไรก็สะบัดก้นหนีถ้าอย่างนี้คุณยังสมใจตัวเองอยู่เรื่อยนะยังไม่ได้ขัดเกลาตัวเอง อ, อันนี้ก็ประมาณตัวเองว่าเราจะขัดเกลาตัวเองเนี่ยขนาดไหนที่เราทำได้แล้วรับรองจะมายืนยันกับคุณได้เลยคุณไม่ขัดเกลาตัวเองจนถลอกปอกเปิกหรอกรับรองได้กล้ายืนยันกับคุณ ว่ามันไม่ขัดเกาตัวเองจะโอ้โหเลือดออกซิบซิปถ้าคนอื่นมาขัดคุณสิเขาจะขัดคุณซิปซิปแต่ถ้าให้คุณขัดตัวเองอ่ะรรองเลยต่อให้เอาแปรงลวดมาให้คุณด้วยคุณจะค่อยค่อ ย, อยถูนะเพราะกลัวเจ็บคุณจะกลัวเจ็บวันถึงบอกอย่ากกลัวไปล่วงหน้าอันนั้นกล้ายืนยันได้อันนี้กล้ายืนยันได้ถ้าลองให้ขัดเกาตัวเองอ่ะบางที ท่านูน่นอมยังเลยค่อยๆขัดยีนนิเดียหน่อยนะแหมค่อยๆให้มันหลุดให้มันค่อยๆนั่นยกเว้นสายเจโตนะถ้าสายปัญญาไม่ต้องพูดถึงเลยสายปัญญาค่อยๆขัดค่อยๆเกาอยู่แล้วแต่สายเจโตนี่ฟันฉับเลยวันสายเจโตบางทีฝึกอดข้าวแหมไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีไม่อาบน้ำ <S <S ํำออะไรกันอะไรอที่พวกสายเจโตเขาชอบฝึก แบบแข็งๆหน่อยแบบตึงๆแบบอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วก็กลมหน้ากลมตาฝึกเลยนะเพราะสายเจโตนี่แบบอืพุ่งอะแล้วไปให้ทําเบาๆทําไม่เป็นอะ่ะสายเจโตก็ทําเบาๆไม่เป็นสมมตินะให้ค่อยๆกินนะให้ค่อยๆกินแล้วค่อยๆลดมืออะไรอย่างเงี้ยนะสายเจโตทําไม่ได้แล้วรู้สึกถ้าทําไปมันเสียเกียรติรู้สึกไม่เก่งรู้สึก แม่มันก็จอกไปสายเจโตต้องทําแบบตรงตรงนะอต้องทําแบบเข้มข้นอ่าแล้วเขาก็ฝืนใจเขาก็ขับใจทําให้มันได้เลยนะเพราะสายเจโตถึงบรรลุทําไวกว่าไงถึงบรรลุทําไวกว่าแต่ก็นั่นแหละบรรลุแบบเพราะเพราะอย่างเงี้ยแต่ถ้ารายละเอียดหรือว่าอะไรต่ออะไรแล้วไม่เท่าสายปัญญาแล้วเพราะสายปัญญาจึงชากว่าแต่ถ้าบรรลุแล้วสายปัญญาละเอียดกว่า เข้าใจอะไรต่ออะไรได้ดีกว่าสายเจโตนะเอา้าวันนี้ก็คงฝากแง่คิดเหล่านี้ไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเนื้อเนื้อเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเราจริงๆเพราะว่าชาตินี้นะอุตสาห์ไหนไหนก็เกิดมามีชีวิตหนึ่งแล้วอย่าให้เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ภิกษุมันพิจารณาเป็นประจำ ให้มันพิจารณาเลยเพราะเหมือนกับเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราขัดเกลาตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือเราขัดใจเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยเวลามันล่วงไปล่วงไปเนี่ยนะเอาฝากไว้ไปทบทวน